เจริญพรท่านผู้มีจมิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีศรัทธาความเชื่อว่าการศึกษาการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นขนทางที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญตามลำดับต่อไปนั่นเองเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะสามารถทาให้เราสุขให้เราจเจริญได้อย่างแท้จริงเพราะของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเป็นของไม่ถาวรของไม่จีรังมีของที่จีรังที่ถาวรก็คือใจของเราและใจของเราจะสุขจ ะ, จะเจริญได้ก็ต้อง ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจรึงเชื่อพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้มีความรู้ที่ได้ทำให้พระพุทธเจ้าได้พบกับความสุขและความเจริญอย่างสูงสุดแล้วได้พบกับการ หลพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแล้วได้นําเอาสิ่งที่พระองค์ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังติดอยู่ในวัฏจักแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ติดอยู่ในกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ เราไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกทางให้กับพวกเราพวกเราก็จะติดอยู่ในคุกแข่งการมเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหลุดพ้นโทษได้โทษทางโลกยังมีวันหลุดได้ถึงแม้จะถูกจําคุกตลอดชีวิตถ้ากระทําความดีก็จะได้ลดหย่อนโทษ ล, ลงไปตามลําดับ แล้วไม่นานก็จะได้ออกมาจากคุกได้แต่คุกของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่มีวันที่จะหลุดออกมาได้ถ้าเราไม่รู้จักทางที่จะพาให้เราปีนออกมาจากคุกนี้ได้เราต้องมีบันไดไว้ปีนกำแพงข้ามกำแพงเพื่อที่จะได้ ออกมาจากคุกของการเวียนว่ายตายเกิดได้กําแพงที่ขังเราไว้ให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาเนี่เความโลภความโกรธความหลงความอยากในกามอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเป็นเหมือนกําแพงที่จะ ม้องกันไม่ให้เราได้เล่ดลอดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่มีคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าสามารถคิดค้นวิธีทำบันไดเพื่อจะได้ปีนข้ามกำแพงของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้หลังจากที่พ่อองค์ได้ทรงปีนเสร็จแล้วข้ามไปแล้ว ก็ทรงกลับมาสอนมาบอกพวกเราถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากคุกตารางของการเมียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องสร้างบันไดเพื่อเราจะได้ปีนป่ายข้ามกำแพงของกิเลส ต, ตัณหาของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆนี่องบันไดที่พระเจ้าได้ทรงสร้าง และได้ส่งใช้ข้ามกำแพงนี้ก็คือทานศีลภาวนานี่เองถ้าเราทำทานเรารักษาศีลเราภาวนาก็เท่ากับการสร้างบันไดไว้สำหรับปีนข้ามกำแพงของกิเลสตัณหาของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆ ไม่มีอะไรในนอกนี้ที่จะเอาชนะความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้นอกจากทานศีลภาวนานี้เท่านั้นถ้าเราสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาเราก็จะสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ก็ เ, เหมือนกับเราสามารถปีนข้ามกำแพงของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆได้นี่คือความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นแล้วจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการทำลาย กำแพงที่กักขังจิตใจของพระองค์ให้ติดอยู่ในในวัฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาจนในที่สุดพระองค์ก็สามารถปีนบันไดของธรรมะี้ข้ามกำแพงของกิเลสตันหา ของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆได้จึงได้หลุดพ้นได้บรรลุถึงพระนิพพานได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่สามารถทำลายความโลภความโกรธ ค, ความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ให้หมดสิ้นไปได้ด้วยตนเองไม่มีใครมาสอนเพราะไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้นั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติจนพบวิธีที่จะ ใช้ในการทำลายกิเลสตัณหาแล้วจะไม่มีใครจะมาสอนพวกเราให้เราได้ปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมาเผยแผ่พระธรรมคาสอนพวกเราก็จะติดกะติดอยู่ในคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยไป เพราะพวกเรายัางไม่สามารถที่จะกาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่ติดอยู่ในใจของเราไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ใดพบใดความโลภความโกรธความหลงความอยากนี้มันมีอยู่ในใจเราตลอดตลอดมานี้ไม่ต้องมีใครสอนให้โลภสอนให้โกรธสอนให้หลงเลยสอนให้อยากเลย แต่มีแต่ต้องคอยสอนไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้อยากกันทั้งนั้นความโลภความโกรธความหลงนีนมันเป็นเหมือนชีวิตจิตใจของพวกเราเลยทีเดียวเวลาที่สอนให้เลิกความโลภความโกรธความหลงเลิกความอยากก็ถูกย้อนกลับว่าอย่างนี้มันก็ไม่เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติของเราต้องโลภต้องโกรธต้องหลงต้องอยากถึงจะมีความสุขได้นี่คือความหลงที่มันหลอกให้เราคิดถึงขนาดนี้ทำให้เราไม่กล้าไปแตะความโลภความโกรธความหลงไม่กล้าไปแตะความอยากต่างๆเลยเวลาเกิดความโลภแล้วก็ต้องรีบทำตามคำสั่งทันทีเวลาเกิดความโกรธก็ต้องรีบทาตามคาสั่งทันที เวลาเกิดความอยากก็ต้องรีบทำตามคำสั่ง ท, งทันทีเพราะคิดว่าทำแล้วจะมีความสุขนั่นเองแต่หารู้ไม่ว่าเป็นความสุขเดียวเดียวความสุขชั่วคราวและหลังจากนั้นก็ต้องมาทุกข์กับการทำตามคำสั่งของความอยากของความโลภของความโกรธใหม่ แล้ไม่ได้ไม่ว่าจะทำได้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังไม่มีความพออยู่นั่นเองจะต้องทาอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่สามารถทำตามความโลภทำตามความอยากได้เวลานั้นก็เป็นเวลาทุกข์ทรมานใจเป็นเวลาที่เศร้าโศกเสียใจนี่คือ เรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพวกเราที่มีศรัทธาความเชื่อการมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นเหตุที่สําคัญอย่างยิ่งที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะไม่เข้าหาพระพุทธเจ้าไม่เข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เข้าหาพระอริยสงสาวร ข, ของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่เข้าหาท่านเหล่านี้เราก็จะไม่มีผู้ที่จะชี้ทางผู้ที่จะบอกทางให้กับเราพวกเราเป็นเหมือนกับคนตาบอดหรือคนไม่รู้จักทางถ้าเราต้องการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปนี้เราต้องมีคนนำทางมีคนบอกทางถ้าไม่มีคนนำทางบอกทาง เราจะไม่มีวันที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้เลยจุดหมายปลายทางของพวกเราคืออะไรก็คือการไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเพราะพวกเราไม่ชอบความทุกข์กันนั่นเองไม่อยากจะมีความทุกข์กันอยากจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวแต่ทําไมเราจึงยังต้องมาเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆ ทั้งๆ ท, ที่เราพยายามหาความสุขอย่างแทบเป็นแทบตายตั้งแต่ตื่นมาจนหลับนี้เราไม่ได้ทําอะไรกันเลยนอกจากวิ่งหาความสุขกันทั้งนั้นแต่แล้วทําไมกลับไม่ได้เจอความสุขกันกลับไปเจอความทุกข์กันก็เพราะว่าเราวิ่งเอาศีรษะชนจมแพงนี่เองแทนที่เราจะมาสร้างบันได เพื่อจะได้ปีนป่ายข้ามกำแพงที่ที่ห้ามล้อมให้เราตกอยู่ในคุกตารางของความทุกข์เรากับมีความทุกข์มากขึ้นเพราะคิดว่าวิธีที่จะออกจากคุกออกจากตารางนี้ก็คือต้องเอาศรีรษะเราชนกำแพงของความโลภความโกรธของความหลงของความอยากก็คือทำตามคำสั่งของความโลภความโกรธ ความอยากต่างๆนี่ยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะมันไม่ได้เป็นวิธีที่จะกาจัดความทุกข์ไม่ได้เป็นวิธีที่จะกาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้น้อยลงไปให้หมดไปนั่นเองมีแต่จะทำให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่เชื่อลองสังเกตดู สังเกตดูเวลาที่เราทาตามความอยากแล้วคิดว่าพอเราได้สิ่งที่เราอยากมาแล้วความอยากนั้นมันจะหมดไปหรือเปล่าเช่นเราอยากกินกาแฟเราก็ไปดื่มกาแฟพอดื่มเสร็จแล้วความอยากมันหมดไปไหเดื่มถ้วยเดียวแล้วไม่ต้องเดินไปตลอดชีวิตได้หรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้ พอดื่มไปแล้วถ้วยหนึ่งเดี๋ยวไม่นานก็เกิดความอยากจะดื่มขึ้นมาอีกถ้วยหนึ่งแล้วก็จะอยากดื่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากไม่นานความอยากนั้นก็จะหายไปเราก็จะไม่มีความต้องการที่จะดื่มกาแฟอีกเลยนี่คือวิธีกําจัดความทุกข์กําจัดความอยากเราต้องไม่ทําตามความอยาก แต่การที่เราจะฝืนใจเราสู้กับความอยากนี้เราจะไม่มีวันที่จะสู้ได้อาจจะสู้ได้บางครั้งบางคราวบางเวลาแต่ไม่นานเราก็จะต้องแพ้มันอยู่ดีเพราะเราไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับมันนั่นเองเพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะเสริมให้เรามีกำลังนั่นเองเครื่องมือที่จะเสริมให้เรามีกำลัง ไว้ต่อสู้กับความอยากต่างๆก็คือทานศีลภาวนานี้ เ, เช่นเวลาเราอยากจะดื่มกาแฟเราเอาเงินไปซื้อกาแฟเราคราวหน้าเราก็เอาเงินนี้ไปให้คนอื่นเสียเอาไปให้ขอทานก็ได้ให้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเหนื่ดร้อนแทนที่จะเอาเงินไปซื้อกาแฟมาดื่มเราก็เอาเงินนี้ไปทำทาน รเราต้องจกคะคือต้องเสียสละเสียสละความอยากในการดื่มกาแฟเพราะจะเป็นการที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของความอยากดื่มกาแฟนั่นเองเช่นเดียวกับความอยากทุกแบบทุกชนิดถ้าต้องใช้เงินทองในการสนองความอยาก ทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินทองเพื่อไปทาตามความอยากก็ให้เอาเงินทองที่เราจะไปใช้นี้เอาไปทำบุญแทนเอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดนือร้อนเราอย่าไปทามันฝืนมันไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากก็จะเบาบางลงเองเพราะว่าเรามีทานมาทำให้ใจเราสู้กับ ความอยากใช้เงินไปทำตามความอยากได้เวลาเราทำทานนี้ใจเราจะได้รับอาหารได้รับความอิ่มใจสุขใจได้รับความภูมิใจจะทำให้ลดกำลังของความอยากดื่มกาแฟอยากได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ลงไปได้เพียงแต่ว่ายังไม่สามารถทำให้มันหมดไปได้อย่างถาวรเท่านั้น เพราะว่าทานนี้เป็นเพียงลดกำลังยังไม่สามารถทาลายความอยากให้หมดไปจากใจได้ถ้าต้องการที่จะทำความอยากให้หมดไปจากใจได้ก็ต้องทำขั้นที่สองและขั้นที่สาคือต้องมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมศีลที่ถือก็ต้องเป็นศีลแปด เพื่อจะได้ตัดความอยากต่างๆลงลงไปให้ให้อ่อนกำลังลงไปศีลนี้ก็เช่นเดียวกันไม่สามารถที่จะทำลายความอยากความโลภให้หมดไปได้อย่างถาวเรเพียงแย่ทำให้มันไม่สามารถทำได้เป็นระยะระยะเช่นเวลาเราสือส่อศีลแปลการที่เราอยากมีความอยากร่วมหลับนอนกับสามีกับภรรยา เราก็จะไม่สามารถทำได้ก็จะทำให้เราลดความอยากที่จะร่วมหลับนอนต่อไปได้ความอยากที่จะรับประทานอาหารดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆรับประทานขนมนมเนยแบบไม่มีขอบไม่มีเขตก็จะถูกลดลงไปก็เราจะถือสีแปคือทีงสีข้อที่6 เราจะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วอันนี้ก็จะลดความอยากในเรื่องอาหารขนมนมเนยเครื่องดื่มต่างๆลงไปได้แล้วเราก็มาลดความอยากกับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสคือเครื่องบรรเทิงต่างๆมหรศลศตต่างๆเช่นดูภาพยนตร์ดูละครร้องรำทำเพลงจัดงานลองงานเลี้ยงอะไรต่างๆ อันนี้เราก็จะทำไม่ได้ถ้าเราถือสีแปบกบมันก็จะตัดกำลังของความอยากเหล่านี้ให้อ่อนลงไปได้พอสิ่งเหล่านี้ถูกลดกำลังลงไปใจก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นมีกำลังที่จะทำให้ความอยากต่างๆนี้หมดไปได้อย่างทาวอน ด้วยการปฏิบัติขั้นที่สาก็คือการภาวนาการภาวนานี้ก็เป็นเหมือนกับจับวัวควายที่เราขังอยู่ในครอบอยู่ในกรงเอามามัดติดไว้กับเสาแล้วก็เอามีดมาฟันมันให้ตายวัวควายนี้ถ้าเราไม่จับมันเข้ามาอยู่ในค้อก่อนปล่อยให้มันอยู่ตามข้างนอก เวลาจะจับมันก็จะยากพราไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนบ้างตอนต้นเราก็ต้องเอามาอยู่ในคอกก่อนค้อที่จะล้อมกิเลสตัณหาความอยากก็คือศีล น, นี่เองเช่นศีลแปถ้าเรารักษาศีลแปก็เท่ากับเราสร้างคออแล้วก็เอากิเลสตัณหามาขังไว้ในค้อแต่การที่จะไปฆ่ามันขณะที่มันอยู่ในคออ ก็ยังไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะมันยังวิ่งหนีได้อยู่ขั้นต่อไปเราต้องเอาเชือกมาจับมันมามัดไว้กับเสา อ, อีกทีหนึง่งถ้ามัดไว้กับเสาได้มันดิ้นไม่ได้หลุดไปไม่ได้ก็เราก็จะสามารถเอามีดมาตัดคอมันได้มาฆ่ามันได้ดังนั้นหลังจากที่เรามีข้อคือศีลแล้ว ขั้นต่อไปเราก็ต้องเอาเชือกมามัดกิเลสตัณหาให้ผูกไว้ติดอยู่กับเสาให้มันนั่งอยู่เฉยๆไม่ให้วิ่งหนีนี่คือวิธีการที่เรียกว่าสมถาภาวานาการทำใจให้สงบด้วยการใช้เชือกแห่งสติเช่นการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปถ้าบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปทั้งวัน เดี๋ยวเวลามานั่งสมาธิจิตมันก็จะสงบนิ่งกิเลตัณหาก็เหมือนถูกผูกมัดไว้ติดกับเสาเสานี้ก็คือสมาธินี่เองส่วนเชือกก็คือสติตอนต้นเราต้องเอาเชือกไปลากมันเข้ามาที่เสาก่อนเสร็จแล้วก็เอาเชือกมัดมันให้แน่นไม่ให้มันดิ่นนี่คือสมาธิเวลาจิตสงบ เกิดจากการเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องคือบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเวลามานั่งสมาธิใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับพุทโธก็จะอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวแล้วพออยู่กับพุทโธไม่ไปไหนมันก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิพอจิตสงบแล้วกิเลส ต, ตัณหาก็ สงบระ ง, งับไปแต่ไม่ตายเหมือนกับถูกฉีดยาสงบพอถูกฉีดยาสงบแล้วเวลาออกจากสมาธิมามันก็ยังจะสลึมสลืออยู่ยังไม่มีกำลังวังชาที่จะไปสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายให้กับใจได้เวลานั้นเราก็เอาปัญญาคือเอามีดมาฟันมันได้ ตัดศรีรษะมันได้ฆ่ามันได้การใช้ปัญญาใช้มีดนี้ก็เรียกว่าวิปัสนาภาวนาเบืเ้องต้นต้องทำสมถะภาวนาเพื่อตัดกำลังของกิเลสตัณหาก่อนถ้าเป็นนักบวชก็ต้องให้มันนับแปดก่อนถ้าชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลงไปนับแปดได้พอลุกขึ้นมาอีกทีก็สามารถเข้าไปพิชิตได้ ให้ถึงกับล้มแบบไม่ลุกขึ้นมาเลยได้ต้องใช้ปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็ทั้งใช้ปัญญาคอยหยุดความอยากให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่จะฉุดให้เราเข้าไปสู่กองทุกนั่นเองเวลาโลภใจมันร้อนเวลาอยากใจมันร้อนมันทุกเวลาได้มาแล้วมันก็ร้อนอีกแบบหนึง่ง ร้อนเพราะอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปร้อนเพราะอยากจะรักษาสิ่งที่ได้มาให้อยู่กับตนต่อไปแล้วก็ร้อนกับเวลาที่เสียสิ่งที่ตนเองได้มาไปมีแต่การเข้าหาความทุกข์ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นถ้าเราสอนด้วยปัญญาให้รู้ว่าการทำตามความอยากเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์ เพราะว่าสิ่งที่เราอยากมันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็จากเราไปเวลามันจากเราไปเราก็ต้องทุกข์ต้องร้องห่มร้องไห้ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจถ้าเราสอนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะหยุดความอยากได้เพราะรู้ว่าเป็นภยัยเป็นพิษต่อจิตใจนั่นเอง ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจแต่อย่างใดเลยนี่คือวิธีที่เราจะปีนกำแพงข้ามออกมาจากคุกตลางของการเวียนว่ายตายเกิดของการทุกข์ที่มีไม่มีวันสิ้นสุดพอเราปีนป่ายข้ามกำแพงออกมาแล้วเราก็เป็นอิสระไม่มีความทุกข์มา เบียนเบียนเราเองต่อไปใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกนี้ไม่มีความทุกข์เลยหลงเหลืออยู่เลยนับตั้งแต่วันที่ท่านสามารถทำลายความโลภความโกรธความหลงทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาโลกนี้ มีแต่ความสุขนวนมาตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันนี้ใจของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนก็ยังอยู่ในโลกทิพย์ชั้นนิพพานอยู่นี่เองส่วนใจของพวกเราก็อยู่ในโลกทิพย์แต่อยู่ในโลกทิพย์ตามชั้นต่างๆถ้าใจเราทำบาปใจเราก็จะอยู่ในโลกทิพย์ของเปรตบ้างของนรกบ้าง ถ้าเราทำบุญใจของเราก็จะอยู่ในโลกคลิปของเทวดาบ้างของพรหมบ้างหรือของมนุษย์บ้างแต่ใจของเรายัางขึ้นๆลงๆไปตามกำลังของบุญของบาปอยู่และยังจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปเรื่อยๆเพราะยัออยงถูกความโลภความโกรธความหลงความอยากคอยบังคับ ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่เองนี่คือความแตกต่างระหว่างใจของเรากับใจของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีวันตายเหมือนกันใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ก็ไม่ตายใจของพวกเราก็ไม่ตายแต่ตรงที่ว่าใจของพวกเรายังติดอยู่ในคุกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์นี่ ได้หลุดพ้นจากคุปตาลานของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วแต่ใจของพวกเรานี้ยังมีความทุกข์คอยมาเหยียบย่าทาลายอยู่เรื่อยๆและจะเหยียบย่าทาลายอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะสามารถสร้างบันไดเพื่อปีนข้ามกำแพงของการ ของความอยากของความโลภได้เท่านั้นดังนั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะมีแต่ความสุขอยู่เพียงอย่างเดียวเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือทำทานรักษาศีลและภาวนาถ้าเราทำน้อยเราก็จะได้ผลน้อยถ้าเราทำมากทำเต็มที่ เราก็จะได้ผลเต็มที่ดังนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติของเราจึงอยู่ที่การทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เช่นทําทานในนิตอนเบื้องต้นเราจะทําร้อยละสิบของเงินท่าที่เรามีอยู่นต่อไปเราก็เพิ่มเป็นร้อยละ20่สิบร้อยละ30ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทําเต็มร้อยได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านทําเต็มร้อยท่านสละราชาสมบัติเลย เราไปเราก็จะสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทางได้และเราก็จะได้ออกไปรักษาศีลได้เต็มร้อยภาวนาได้เต็มร้อยพอเรารักษาศีลได้เต็มร้อยภาวนาได้เต็มร้อยผลก็จะเต็มร้อยเช่นเดียวกันเพราะผลเกิดจากเหตุไม่ได้เกิดจากอะไรทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เกิจกกดกจากการอธิษฐานขอให้ ได้บรรลุมากผลนิพพานขอให้หลุดพ้นจากการเยนว่ายตายเกิดการขอเฉยๆนี่ไม่สามารถทำให้ผลที่เราต้องการเกิดขึ้นได้ผลจะเกิดขึ้นได้จากการกระทำเหตุเท่านั้นก็คือการทำทานรักษาศีลและภาวนานี่เองจึงขอให้พวกเราจงตั้งใจอยู่ที่เหตุทำเหตุให้สมบูรณ์แล้วผลมันจะมาเองไม่ต้องไปถามหามัน เหมือนกับการรับประทานอาหารไม่ต้องไปหาความอิ่มขอให้รับประทานเข้าไปอย่าหยุดเท่านั้นน่ะเดี๋ยวมันอิ่มเองพออิ่มนะมันก็จะหยุดรับประทานเองนี่คือวิธีที่จะทำให้พวกเราได้เล่นลอดลนลอดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่เองจึงขอฝาก ให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปพิดพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบําเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย